ทำไมหลวงพ่อจังจำสับเนี้ยศีล น, นะศีลคือความเรียบร้อยกายเรียบร้อยเป็นหมู่เป็นคณะพฤติกรรมยังไงที่จะจึงว่าเรียบร้อยคือมาแล้วก็นั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมกันไม่ใช่ว่า พวกหนึ่งนั่งพวกหนึ่งลุกเยืนพวกหนึ่งลุกเดินอันลักษณะนั้นมันมันถูกกับความเรียบร้อยหมเ้ี่ยทางภาคปฏิบัติน่ะมันไม่เหมือนบางคนบางหมู่บางคณะพูดนะบางคนบางหมู่บางคณะพูดเฮ้ยภาวัดป่านั่งหลับหูหลับตา ม, มันจะรู้เรื่องอะไรมันจะรู้อะไร ภาวัดป่าม ง, งโงเธอเธอนั่งหลับหูหลับตาคือหมายว่านั่งภาวนาหลับตานะความหมายคาพูดตรงเนี้ไม่ใช่ว่านั่งหลับตาแบบเธอเธอทาท่า่วงเหงาเขานอนนะความหมายนั่งหลับตาดูใจเข้าใจความหมายไหมนั่งหลับตาดูใจ ทำไมจึงนั่งหลับตาดูใจพวกเราฟังเสียงธรรมขององค์หลวงตาบันตาปาดูซาดูรวมผลการฟังรวมผลเรื่องเข้าใจคำว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงมรรคผลนิพพานมีจริง จะไปดูที่อื่นท่านว่าดูที่ใจสมบูรณ์เลยสับเนี่ยครับเนี่ยสมบูรณ์เลยาคงจะพร้อมกันแล้วาที่เนวตั้งใจ <c oughs> ความหมายก็ว่าาตั้งใจตั้งใจท่าภาคปฏิบัติพวกเรานั่งนั่งอยู่เดียวเนี่ย จะนั่งกับเพลินจะนั่งพับพียหรือนั่งขัดสมาธิหรือนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้เราเนิกถึงลักษณะของศีล น, นอกจากลักษณะของศีลแล้วก็ลักษณะของสมาธิ พี่น้องญาติโยมชาวพุทธทั้งหลายคำสอนทางภาคปฏิบัติ <c oughs> อาตมาจะได้นำมาแนะนำพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานให้เข้าใจความหมายลักษณะของศีลของสมาธิทางภาคปฏิบัติ ลักษณะของศีลให้พวกเราเข้าใจความหมายลักษณะของศีลมีอยู่สามอย่างเอาฝังไว้มีอยู่สามอย่างมีอะไรบ้าง คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นน่ะ <c oughs> สอนมนุษย์คนเราทุกชาติชนวัฒนะชาติใดภาษาใดรวมพวกเราเข้าด้วยมนุษย์คนเราที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรารู้ตัวว่า จะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงรูปร่างกายทุกคนเรียว่าโรคสมบัตินอกจากบารู้ตัว อ, อรูปร่างกายผู้ชายเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายสมบูรณ์ผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงสมบูรณ์นี่โรคสมบัติ วาจากรรมพูดวจีสมบัติล่างกายใช้ได้วาจาใช้ได้กระเพาะมีใจหรือมีจิตคือความโลภมนโนสมบัติ ท่นั้นน่ะโรคสมบัติวจีสมบัติมโนโสมบัติพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานบางคน <c oughs> สงสัยว่าที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นน่ะบุญบาปบุญบาปหรือนรกสวรรค์ เลื่อมักผลนิพานเอ๊ะมีจริงหรือเปล่านี่มีจริงหรือเปล่ า, ลาฉะนั้นพวกเราทุกคนฟังบันเนธธรรมภาคปฏิบัติอาตมาจะลาธนาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายอีกว่าละหนึ่ง อันนั้นคือบุญมีจริงหรือเปล่าอย่าไปสงสัยเถอะให้เห็นในขณะนี้เลยรู้ในขณะนี้เลยอันนั้นคือโรปร่างกายของมนุษย์คนเราไม่เฉพาะพวกเรานะ มนุษย์คนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกความเป็นมนุษย์เดี่ยวมนุษย์สมบัติอันนี้แหละบุญพามาเกิดใครปฏิเสธเอาเห็นไหมตัวบุญบุญพามาเกิดบุญมากบุญน้อยที่เนี่ย พวกเรานั่งอยู่นี่โรคสมบัติสวยงามเท่ากันไหมฉะนั้นกิริยามลายาตความสวยความงามโรกภัยใครเจ็บจนถึงอายุยืนยาวนาน จะไม่เท่ากันอันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าบุญมากบุญน้อยเห็นไหมเห็นตัวบุญไหมถ้าฟังธรรมะภาคปฏิบัติน้อมมาดูสมบัติรูปร่างของพวกเราเห็นได้ชัดอันนี้ตัวบุญตัวบาป แต่ยังดีสาธุถึงแม้ว่าพวกเราจะมีบาปก็คือโรคสมบัติความเป็นสมบัติไม่สมบูรณ์ไม่ยังมีความบกพร่องอยู่ความบกพร่องนั่นแหละว่าบาปแต่ส่วนที่พวกเราโภมใจโรคสมบัติ หลักธรรมะภาคปฏิบัติอาจะมาอยู่หลวงปู่ฟันอาจารย์ลพี่น้องญาติโยมลูกหลานเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ฟันหลวงปู่ฟันจังหวัดสกวันตกออเคยได้ยินชื่อไม่เจ๊ดเลยองหลวงปู่ฟันสอนภาคปฏิบัติสัจจากความจริงฟังแล้วมันถึงใจปฏิเสธไม่ได้ คาดคานไม่ได้หาเดียวกันคำเทศคําสอนของท่านนะอันนั้นคืออะไรอะท่านสอนท่านถามว่าพี่น้องญาติยอมพี่น้องญาติยอม <c oughs> สมรทานสินห้าสมรทานสินห้ากับพระกับเจ้าแตามมีการมีเวลาทําบุญทําทานในบ้านหรือไปวัดไปว่าเอาสมรทานสินรับสินห้าสมรทานสินห้า ไปเข้าใจ่างไงสมทานสินห้าสมทานสินห้าไปขอสินกับพระความจริงความหมายอันนั้นท่านอธิบายให้ได้เห็นสัจจะความจริงท่านอธิบายว่าสินห้าสินห้านั่นนะไม่ใช่ว่าไปขอจากพระ ตัวสินห้าก็คือตัวของพวกเราทุกคนตัวสินห้านับยังไงขาสองแขนสองรวมมีเท่าไหร่แล้วสี่สี่สะอายวิยาทุกสัสดส่วนมารวมเข้าเป็นห้า อันนี้คือตัวสินห้าตัวสินห้าอันนี้ไม่ใช่ไปขอจากพระภาษาคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าบนพาพวกเรามาเกิด เกิดเป็นมนุษย์เป็นชายเป็นหญิงสมบูรณ์ลักษณะขาสองแขนสองศีรษะอวัยวะทุกสัดส่วนตัวเนี้เยเน่รวมนตัวสินห้าอย่าเอาสินห้าอย่างที่ว่าเนี่ยหยาบเอาห้าอย่างไปทำโทษห้าที่เนี่ย ถ้าทำโทษห้าทำน้อยเป็นบาปน้อยทำมากเป็นบาปมากอะไรเป็นโทษตรงนี้แหละจ <c oughs> ึงไปศึกษาจากพระไม่ใช่ว่าไปขอสินจากพระนะไปศึกษาจากพระโทษห้านั่นนะ ก็เหมือนอย่างที่ความหมายที่พวกเราไปสมาทานจากพระปานาภาษาเราโยมอย่าไปฆ่ากันนะอย่าไปทําลายกันนะตั้งแต่ชีวิตมนุษย์คนเรามนุษย์คนเราเนี่ยรักที่สุดหวงที่สุดหวังที่สุด ก็คือชีวิตและขวมดีทั้นั้นอย่าจะไปทำลายกันนะอย่าไปฆ่ากันนะถ้าเผื่อเป็นไปได้แม้ศัตสาวาสิมดตัวแดงแมงตัวเล็กให้พากันดีให้พากันเลี่ยงดีที่สุด ความดีตรงนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นคุณธรรมใจมีความรักเห็นคุณค่าชีวิตมีความเมตตาสงสารเห็นคุณค่าคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั้งรัก ทั้งเมตตาทั้งสงสารพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานเอาตั้งใจดีๆความหมายก็ว่าตั้งใจดีๆตั้งใจดีๆ <c oughs> เราจะมาเรียนมาศึกษา ว่าสินห้าที่พระพุทธเจ้าห้ามอย่าไปทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างการฆ่าการลักกโมยการปิดจารีตประเพณีสามีภรรยาการโกหกหลอกลวงการดื่มจราเมายัยที่พวกเราถือว่าสินห้าไปขอจากพระความจริงอันนั้นสิ่งที่มันเป็นโทษ ถ้ารู้แล้วอ่ะไม่จําเป็นจะไปขอจากพระเวลมณีเวลมณีเวลมณีแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อนะให้พากันหลีกนะให้พากันเลี่ยงนะให้พากันเว้นนะความหมายภาษาเรานะั่นน่ะเวลมณีเวลมณีทําไมจึง พระพุทธเจ้าให้หลีกให้เลี้ยงให้เบนพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานใจของมนุษย์คนเหล่านัะนะถ้ายังเป็นสามัญชนยังเป็นปุถุชนใจของทุกคนทั้งชายทั้งหญิงมันมีจิเลตมีโลก มีโกรธมีหลงเอาตั้งใจดีๆความโกรธดีไหมความโลภดีไหมความหลงดีไหมตอบในใจเอาตั้งใจดูลักษณะลักษณะความโกรธ มันเกิดกับใจเรานะี่นะน่ารักไหมอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นในใจเราใจสวยใจงามไหมเวลาอารมณ์โกรธเกิดขึ้นนะอารมณ์ความความหลงเกิดขึ้ น, นะนลืมหน้าเลือมหลังเอาไปเอามากัเครื่องใช้ และหมู่เพื่อนสิ่งที่เรารักได้พุดที่สุดบางครั้งบางขราวนึกไม่ได้ ล, ล, ลูกหลงเลืม่มเลื่มดีไหมลักษณะนั้นที่มันเกิดขึ้นกับความรู้สึกเราในใจนะบางครั้งบางข่าว <c oughs> ปัจจัยเครื่องอาศัยทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรทุกอย่างเนี่ย อยากแก้ได้อยากแก้ได้อยากแก้ได้มีเท่าไหร่ไม่เพียงพออยากแก้ได้อยากแก้ได้ไไยอยากจะมีอยากจะมีปาดูาพี่น้องอยาโยมพี่น้องดูพลันความสำนึกความรู้สึกอยากแก้ได้อยากแก้มีลักษณะนี้ <c oughs> พระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นขวมโลก ลักษณะของกิเลสก็ฟังแต่ว่าลักษณะตรงนี้ให้ดูที่ใจลักษณะของกิเลสโลกโกรหลเนี่ยภาษาเหล่าเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธ อารมณ์ความหลงถ้าอารมณ์อันนี้เกิดขึ้นที่ใจถ้าเผือพวกเราไม่ได้ใช้ความฉลาดเลือกทีเนี่ยตรงนี้พระพุทธเจ้าเมตตาสงสารบรรดาหลวงปูป่ครูบาอาจารย์เชื่อตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเมตตาสงสารเพราะอารมณ์กิเลสโลภโกรธหลงเนี่ย มันทำลายสมบัติความสุขที่ใจต้องการความสบายที่ใจต้องการความดีที่ใจต้องการความสุขความสบายความดีที่ใจปรารถนาที่ใจแสงหาถ้าเพื่ออารมณ์ของกิเลสโลภโกรดหลงเนี่ยมันจะแดงขึ้นที่ใจมันทำให้ใจของเรานั้น เป็นตามอารมณ์ของกิเลสเหล่านั้นเกิดขึ้นตามอารมณ์ของกิเลสเหล่านั้นฉะนั้นกิเลสเหล่านั้นอารมณ์ประเภทนั้นน่ะเกิดน้อยเสียหายน้อยถ้าเกิดมากเสียหายมากตกจากฐานะของความเป็นสมบัติเข้าสู่ของความเป็นวิบัติมโนวิบัติ เสียงกับวิบัติรูรปก็วิบัติภาษาสับทางศาตนาบาปเป็นบาปแล้วรูปวิบัติถ้าโดูดูลักษณะ ความโรควิบัติของความเป็นมนุษย์บางคนน่นะเกิดขึ้นมาหูหนวกตาบอดรปูปขี้ลายเจลี๋แฉนขุดขาด้วนมีแต่โลกมีแต่ไปโอยบน่บนรกบ่นยากนั่นน่ะโรควิบัติแล้ว รู้วิบากภาษาเราก็บบากตัวบากเขาเป็นบากพี่น้องญาติยอมพี่น้องลูกหลานฉะนั้นการตั้งใจฟังธรรมะภาคภาปฏิบัติเราตั้งใจตั้งใจตั้งใจความหมายตั้งใจเพื่อให้ใจตั้งนอกจากตั้งใจเพื่อให้ใจตั้งตั้งสติ เพื่อให้ตติตั้งอันนี้ตั้งใจตั้งตติตั้งตติตั้งใจตั้งใจจะไปดูที่อื่นจะไปรู้ลักษณะอื่นความหมายกว่าตั้งใจตั้งใจตั้งตตินั่นตั้งใจคือตั้งเพื่อให้ใจตั้งตั้งกติเพื่อให้ตติตั้งถ้าใจตั้งได้ดีตติตั้งด้ดีมันรู้ตัวทีเนี่ยความรู้ตัวเนี่ย ขึ้นชื่อว่าความทุกใจดวงนี้กลัวล้วเกิดสัญแชตยานมันกลัวอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าไม่ดีใจดวงนี้มันกลัวล้วเกิดความไม่ดีที่เกิด <c oughs> ปรากฏในรูปรูปวิบัติ เห็นได้ชัดในโลกมนุษย์คนเราเนี่ยนะสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทขาต่างต่างกันยังไงกับขามนุษย์อนาะหมูหมาเป็ดไก่วัวควายช้างม้ารูปร่างต่างกันยังไงกับเป็นมนุษย์เนะ นั่นแหละโรควิบัติบาปาเกิดฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเทศสอนด้วยความรักความเมตตาความสงสารมนุษย์คนเหล่านะี้ควรจะรู้ตัวควรจะรู้ตัวควรจะรู้ตัวรู้ตัวว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ได้รูปสมบัติวจิจีสมบัติพโนสมบัติเกิดขึ้นมาพบนี่อานนี้อันนี้คือบุญบุญ ดวงจิตดวงใจของพวกเรามาเกิดถ้าดวงจิตดวงใจดวงนี้นึกถึงบุญไม่ได้ไม่มีบุญก็ะย่างวานเดี๋ยวเข้าทองมาเกิดมาเป็นตัวอะไรเข้าทองวานทองควายเกิดมาเป็นตัวอะไรเข้าทองมดเกิดมาเป็นตัวอะไร หรือสัตว์น้ำเข้าต้องท่องจะพวกสัตว์น้ำแต่และประเภทเกิดมาเป็นตัวอะไรถามตรงนี้พี่น้องญาติยอมพี่น้องลูกหลาน <c oughs> ฟังเนื้อหาเนคำว่าบุญมีจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพราว่าบาปมีจริงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตั้งใจิตใจดีๆตั้งติตดีๆถามใจตัวเองทีเนี้ยใครอยากจะไปเกิดเป็นลักษณะนั้นเอา ฉะ <range> นั้นพระพุทธเจ้าจึงสอน <c oughs> ให้รู้ตัวว่าสติสติเครื่องละเลิกได้ละเลิกได้ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าทำบาปหรอไปเกิดเป็นลักษณะนั้นว่าสาสตร์ดิฉานมีจริง เมื่อมีลักษณะสติระ ล, ลึกรู้สัตว์เดริชานทุกประเภทเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาจะไปเกิดสติระ ล, ลึกรู้ระลึกได้อันนั้นคือบาปพาไปเกิดสมประชัญญะที่เนี่ย <c oughs> รู้ตัว รู้ตัวว่าเดี๋ยวนี้พวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์ควรไหมจะปล่อยจิตปล่อยใจไปตามกระแสของกิเลสตัณหาโลภโกรดหลงให้กิเลสตัณหาประเภทนั้นพาใจเราไปทำบาป พ, พาใจเราไปเกิดควรไหมท่นเนี่ และต่นั้นพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานจำตรงนี้ <c oughs> เป็นการปลุกความศับดึกเดชพระพุทธเจ้าสอนเรื่องใจเรื่องใจโดยเฉพาะองค์ลงตาบันตาสอนเรื่องของใจแล้วต้องปู่ครูบาอาจารย์ทุกองในภาคปฏิบยตเฉพาะภาคปฏิบัติ ก็เหมือนอย่างที่พวกเรากำลังตั้งใจฟังในขณะนี้ทำไม <c oughs> องค์อตมาจึงย้ำเรื่องของจิตของใจกับเพราะใจของพวกเราตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าใจดวงนี้ตายไม่เป็นนอกจากตายไม่เป็นแล้วใจดวงนี้แก่ไม่เป็น เรื่องความเท่าความแจ่ไม่ใช่ใจนะมันเป็นเรื่องตั้งขานร่างกายตั้งหากเรื่องจิตใจจะไม่ปรากวดเป็นความเท่าความแจ่จริงไหมตรงนี้เอาพิจารณาเรื่องใครจะต้องใส่เอ่าร่างกายเท่าแจ่ใจมันก็เท่าแจ่ไปด้วยหรือมีคนเข้าใจลักษณะนั้นอยู่ ถ้าเข้าใจลักษนานั้นนะเพิดนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้รล้ลเรื่องเนี่ยพระ อ, องค์สอนว่าคำว่าเท่าแจเท่าแจภาษาแบบไทยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องสังขารร่างกายถึงบุญพามาเกิดก็จริงอยู่ ความเป็นมนุษย์มันอยู่ในฐานะอนิจังความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกวันมันเปลี่ยนแปลงไปไหนอ่ะก็เปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่พวกเราไม่ต้องการความเท่าความแจความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคเป็นภยัยก่อนที่ถึงตรงนั้นน่ะพระพุทธเจ้ายังสอนให้พวกเรามีโอกาสมี เวลาศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าที่พงศ์สอนว่าเรื่องบาปเป็นยังไงเรื่องบุญเป็นยังไงโอกาสการเวลานันนะพยายามหลีกเลี่ยงหลีกเว้นในสิ่งที่มันเป็นบาปในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามโดยเฉพาะกับเรื่องสิ่งห้านั้นละ่ะทำในสิ่งที่ดีมีประโยชน์แก่ตนเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่น รู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวลักษณะ น, นี่คือสำประชันยะรู้ว่าทำแบบนี้ทำความดีเพื่อให้เกิดความดีเพื่อทำความดีเพื่อให้เกิดความเป็นบุญฉะนั้นพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานโรสมบัต วจีสมบัติมนโนสมบัติรูปร่างกายพวกเราวาจาพวกเราจิตใจความนึกคิดของพวกเรามาเรียนรู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าวา่าบนเมจริง สวรรค์มีจริงเบุตรเทวดามีจริงพระอินทร์พระพรหมมีจริงเย้งเข้าสู่มรรคผลนิพพานความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ตรงนี้ <c oughs> ท่านผู้รู้ทั้งหลายให้พวกเรามาเรียนรู้ลักษณะ ของบุญที่มันเกิดขึ้นบุญเกิดขึ้นได้เพราะอะไรอย่างเริ่มแรกเบื้องแรกที่อาจมาว่า <c oughs> สินเป็นที่เกิดของความเป็นบุญลักษณะของสินมีรูปสามอย่างที่ว่าให้ฟังเบื้องแรกนะ เศษลักษณะของเศนมีสามอย่างอย่างหนึ่งศิลส่วนหยาบคืออย่าไปทำเรื่องที่มันเป็นบาปคือเศนห้าการค้ามันก็ไม่ดีการลักเิ่งวิ่งราวปนตรมโจมตีก็ไม่ดี การปิดจารีตประเพณีสามีภรรยาก็ไม่ดีการโกหกหลอกพวงก็ไม่ดีการเดิมสุลาเมัลกัญชายาฝิ่นก็ไม่ดีเอาตั้งใจจริงไหมที่รพระพุทธเจ้าสรัสว่าไม่ดีไม่ดีจริงไหมเอาอย่างข้อที่ห้าคนที่เมาดีไหม บุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพวกเรานะี่ะจะเป็นพ่อเป็นแม่ปูย่ย่าตายายจะเป็นสามีภรรยาและเป็นบุตรเป็นลกูกเป็นหลานเป็นหมู่เป็นเพื่อนคนเหล่านั้นขี้เมาเดิมเล่าขี้เมาดีไหมใครต้องการปรารถนาบุคคลนั้นขี้เมาที่คือสันแคตยานจิตใจนะ ไม่มีใครปราศรณาฉะนั้นนะพระพุทธเจ้าเวและมณีเวและมณีอย่าพากันไปทําลักษณะนั้นนะรูกสมบัติของพวกเราควรจะรักษาให้อยู่ในฐานะของความเป็นสมบัติผู้ดีถ้าอยู่ในฐานะของความเป็นสมบัติผู้ดียิริยามนยาะ ความนึกความเิ็คำพูดคำจาเพราะจินยามันญาติอยู่ในความดีอยู่ในความถูกต้องบุคคลจะมันเจี่ยวเนื่องกับพวกเราลักษณะไหนคนนั้นน่ารักเหลือเกินน่าสงสารเหลือเกิน ฉะนั้นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามสิ้นห้าโทษห้าอย่างเบและมณีเบจะมีความจำเป็นลองนึกข้ามกลางของสังคมเมาความนิยมการดื่มถ้าอ่านเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่าจะเป็นบาปขนาดไหนเอาว่าภาษาเราเดื่มน้อยเมาน้อยกับบาปน้อยนั่นแหละ ถ้าเดิมมากเมามากกับบากมากลักษณะความเป็นบาคพือ น, นึกถึงความดีไม่ได้นึกถึงสิ่งที่น่ารักมันนึกไม่ได้โมหะความหลงลืมไปหมดเลยเห็นได้ชัดเหมือนอย่างที่พวกเราดูข่าวฟังข่าวผัวเมียกันนะความปกติธรรมดา ผู้ชายก็รักผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านรักน่ารักรักแสนรักผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านมีพ่อ้านก็รักแสนรักถ้าอยู่ในฐานะของความเป็นสมบัติผู้ดีไม่เมาไม่มีกิริยามารยาที่เป็นคนมึนเมานะถ้าเมาเขามาแหละที่เนี่ยการล้ลูกกันอยู่เห็นไหมพูดกัไม่รู้เรื่อง ยังไม่ถึงข่าวตายค่าอัที่ตายในกระดาษด้นด้วยเมื่อตายในขณะนั้นใจไม่ตายที ท, ท, ทีเมื่อใจไม่ตายอ่ะไปต้องใส่อะไระตกนรกเป็นเปรตเป็นผีควรไหมมนุษย์คนเราจะไปทำกันแบบนั้นอ่ะไปตกนรกโดยความรักความเมตตา ย, ยิ่งสิ่นข้อสาม ข้อสีป่ป้าทุดพี่น้องอยกบยอมพี่น้องลูกหลานข้านิยมตามยุคตามสมัยนะั้นนะไม่เอาเสียงคําสอนเสียงศีลเสียงธรรมไปพูดกันนะยุคนี้สมัยนี่ก็เดิมสุราเมลัยไม่ได้ที่จะว่าเดิมสุรามรมเมลัยก็เ ร, ร เ, เรียกว่าเดิมอะไรแต่ก ดูจิน่ะ น, นะไอข้อที่4โกหกหลอกลวงกับเมื่อเอาศัพท์นี้ไปพูดท่ามกลางของสังคมเดี๋ยวเนี่ยเอาศัพท์ไหนมาพูดโปร่งใสไม่โปร่งใสดูจิน่ะ น, นะไอข้อที่3 <c oughs> ผิดจาติพี่เพณีสามีภรรยา ผัวไปมีชู้เมียไปมีชู้สับนี้มันเอมาพูดกันนะยุคนี้ทำไมนี้สับนี่น่ะเขาพูดอะไรเมียไปมีจิกผัวไปมีจิกเอายังไง อันนี้แรงฤทธิ์ของจิเลตแรงฤทธิ์ของตัณหาเพราะใจนี่น่ะมันแก่ไม่เป็นแล้วก็ตายไม่เป็นเ <c oughs> <c oughs> มื่อใจแก่ไม่เป็นตายไม่เป็นทำยังไงทีนี้ท่านั้นท่านผู้มีพระคุณแมตรร่ตาสงสาร ท่านจึงสอนพวกเราให้มีความภูมิใจเถอะบุญพามาเกิดเดี๋ยวรักษาความเป็นบุญนี่เ อ, อต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อ ง, อองให้เวน้นจากความชั่วเวน้นจากความประพฤติตัวอย่าให้มันเป็นบาปเป็นกรรม <c oughs> นี่แหละพวกเราเป็นชาวพุทธให้เข้าใจความหมายกับวา่าศีลมีอยู่สามลักษณะ ศินส่วนหยาบคือตามสิขาบุตรเอาศินส่วนที่สองที่เนี้ย <c oughs> สินถวนที่สองอย่าไปดูที่อื่นดูอารมณ์ของใจศินคือความเรียบร้อยนะศินคือความเรียบร้อยลักษณะกิริยาของความเรียบร้อยเป็นยังไง ถ้าดู <c oughs> อารมณ์ของใจอารมณ์เรียบร้อยในขณะเดียวเนี่ยพี่น้องญาติโยมลูกหลานเอาอารมณ์มาอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยมันมีความรู้ตัวอย่างนี้อย่างนี้เอาอารมณ์เรียบร้อยถ้าอารมณ์ของกิเลสที่เนี่ยมันจะต่างกันนะกับอารมณ์ของสิลของธรรมสินคือความเรียบร้อยหมายถึงอารมณ์ อารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยโสดขึ้นล่นเรือ ง, งยิ้มแย้ม แ, จ, มแ จ, จ่มใสจุดจิตใจมีขวมสงบอบอุ่นสินีคือความเรียบร้อยอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดความงามความงามนี่เป็นธรรมสินธรรมสินธรรมนี่ น, นนะ ทำคือความงามศินคือความเรียบร้อยอะไรเป็นเครื่องแสดงออกความเรียบร้อยอะไรเป็นเครื่องแสดงออกความงามสมบัติของมนุษย์เนี่ยมนุษย์สมบัติสมบัติมีอยู่สองอย่างนะให้เข้าใจความหมายสมบัติภายในสมบัติภายนอกสมบัติภายในกับรูปร่างกายของเหานี่แหละ มีขาทั้งสองเรียบร้อยดีมีแขนมีมือทั้งสองเรียบร้อยดีมีหูมีตามีหน้ามีตาสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเรียบร้อยดีเราควรจะรักษา <c oughs> สมบัติที่มีความเรียบร้อยเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดความงามขึ้นตรงนั้นอะไรงามก็รูปร่างกายของเราในแล้ว ขาเรียบร้อยแขนมือเรียบร้อยหน้าตาหูตาเรียบร้อยอวัยวะทุกตัสัทุกสัดส่วนเรียบร้อยความเรียบร้อยมีที่ใดมักเกิดความงามความดีความงามความดีความงามตรงนี้นะที่เนี่ยท่านโพรู้พระพุทธเจ้าจึงสอนควรให้มีความกลัวต่อบาปควรให้มีความละอายต่อความชั่ว เข้าใจไหมพี่น้องอยาโยพี่น้องลูกหลานตรงนี้กายเรียบร้อยนะ่ะควรให้มีละอายต่อควมชั่วควมให้มีละอายต่อถิ่งที่มันเป็นบาปอันนั้นจึงมีการแต่งตัวกายเรียบร้อยการแต่งตัวเรียบร้อยเข้าใจความหมายไหมถ้าครูบาอาจารย์ตามวัดตามบ้า ผ้าตะบงจะแต่งชุดผ้าตะบงให้บรรทันสมัยแต่งแง่ตัดยังไงผ้าตะบงแบบสมัยใหม่เจ้าพพจน์โคโยตี้ <c oughs> ตัดผ้าตะบงให้บทันสมัยโคโยตี้นอกจากชุดโคโยตี้ตัด บีกีนี้ไม่อย่างงั้นยังไม่เป็นยังไม่เป็นพาทันสมั ย, ย, ยจะยอมย่าใส่บาทเนาะจะกล้ใส่จจก้าใส่บาทไหมจะกล้าไปทำบุญไหม ท่นั้นความหมายจะอยากให้พวกเราชาวพุทธเข้าใจความหมายนะคําว่าสิลส <t ip ole zych> ินคือความเรียบร้อยสินคือควาเรียบกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยตรงนี้นะก็ว่าฟังเทศฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมอย่าไปเข้าใจเรื่องอื่นนะฟังเทศคือฟังคําบอกคําสอนในสิ่งที่มันปิดเป็นยังไงในสิ่งที่มันโขกเป็นยังไงก็เหมือนองค์ธรรมาจ้าแล้วยําอีกจะปลุกความสํานึกเพื่อให้ความเป็นบุญของพวกเราอยู่ในลักษณะที่ พวกเราเป็นมนุษย์สมบัติรูปสมบัติกายเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยกายเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยความเรียบร้อยมี่ที่ใมันจะเกิดธรรมคือความงามสมบูรณ์นะทีนี้อธิบายมาถึงตรงนี้ยังไม่ไปถึงไหนแล้วนี่จะ มันจะถึงบ่ายหนึ่งแล้ว น, นั่นมันจะบ่ายหนึ่งแล้วนนยังเหลือหานาทีอธิบายลักษาะของศินก็นยังไม่เด็ดไปฮักครึ่งหากลางเลยไ ด, ได้ได้เวลากําหนดให้หลวงปู่ชั่วโมงเดียวตะเตี้ยเที่ยงมาบ่ายหนึ่งจะบ่ายหึงแล้ว น, นี่น เอาล่ะจะขอตัปหัวพข้อใจควมตรงนี้ <c oughs> พี่น้องญาติโยม <c oughs> ชมลมชาวพุทธในบริษัทของเราอย่าไปเข้าใจเรื่องอื่นนะชาวพุทธชาวพุทธชาวพุทธคือเป็นผู้ปฏิบัติตัวเอง เมื่อฟังเข้าใจแล้วสมบัติรูปสมบัติมนุษย์สมบัติเป็นสมบัติที่มีค่ามีราคาบุญพามาเกิดมารู้ตัวแล้วบุญพามาเกิดแล้วใจดวงนี้มันแก่ไม่เป็นมันตายไม่เป็นเหมะที่สุดคือเล่นจากความชั่วแล้วทำความดี ผลความดีนะั่นนะ่ะมันจะมารวมอยู่ที่ใจใจที่มันแจ่บไม่เป็นใจที่มันตายไม่เป็นนะี่นะคนนั่นตายคนนี้ตายความจริงใจไม่ได้ตายนะใจมันออกจากล่างเมื่อใจออกจากล่างจะให้อะไรพายใจไปทเนี่ย ลองตั้งใจดีๆตั้งติเตียนดีๆเอาไอ้ที่ใจมันออกจากล่างมันขวงหน้าเราอยู่เดี๋ยวนี้ไม่วันใดเดือนใดเป็นพวกเราจึงถึงตรงนั้นแน่นอนเรียงไม่ได้เลยเมื่อถึงตรงนั้นอนะใจของพวกเราออกจากล่างจะให้อะไรพาใจเราไปที่เนี่ยฮ้จะให้บุญหรือให้บาป อันนี้ผลการฟังเทศเทศนาแปลบอกสอนถ้าเรามีความมั่นใจว่าออการจัดจิตกรรมแต่และเดือนแต่และเดือนฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดความเป็นบุญบุญจะที่เกิดขึ้นน่ะมันไปรวมอยู่ที่ใจใจจะกลายเป็นตู้เ็บเจ็บ ผลคือบุญไว้ดังนั้นใจของพวกเราไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเจ็บผลความชั่วคือบาปถ้าผลความชั่วคือบาปมากกว่าบุญที่เนี่ยบุญมีน้อยบาปพาไปเกิด<า>โดบินองญาติโยมพี่น้อ ง, องลูกหลานก็ฟังแต่ว่าบาปนี่ ท่า น, น่ะตรงเนี่ยเมื่อดูเวลาแล้วอัอตมาเห็นว่าพอจะควรเจรเวลาอัตมาจึงของอันุโมทนาสาธุกับบริษัทดีโอทพวกเราชาวพุทธนัดรวมกันฟังเทศฟังธรรมนัดรวมกันมานั่งสมาธิฟังธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นบุญเป็นกุศลกับพวกเราทุกคน ฉะนั้นทายที่สุดอาตมาขออัญเชิญเอาคุณภ ษ, ษีรัตนตรัยคือพุท ธ, ธารัตนธรมรม า, ารัตนสังฆารัตนจงมาเป็นเครื่องคุ้มครองปกป้องพี่น้องญายมพ้นจากทุกขกโรคภัยแล้วปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เหลือวิสัยขอให้พวกเราทุกคนจงสมควมปรารถนาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ